ทีนี้ถามว่าควรพิจารณาอะไรก่อนคําตอบก็คือคุณคิดถึงอะไรมากคุณพิจารณานั้นมากก่อนเพราะว่าชีวิตจริงๆที่ต้องแก้ปัญหาคือสิ่งที่เราคิดถึงสิ่งนั้นมากคิดถึงสิ่งใดต้องปลดตรงนั้นก่อนเพราะว่าบางทีเนี่ยนะเขาพูดแบบภาษาไทยก็บอกอย่าหวังน้ําบ่อหน้าจนเกินไปเพราะฉะนั้นถ้ามีบอ่อไหนเฉพาะหน้าก็รีบกินบอ่อนั้นไปก่อนอารมณ์ที่เราจะพิจารณาที่ต้องเอามาทำปริญญาคืออารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องมากเลยนะ เกี่ยวข้องมากก็ถ้าพิจารณาแบบพระสูตร น, นะนะอธิตตาปริยสูตรพระองค์ก็แสดงทั้งภายในภายนอกควบคู่กันไปเช่นตาเป็นของร้อนคือภายในใช่ไหมรูปเป็นของร้อนอาจจะรูปเราก็ได้รูปคนอื่นก็ได้รูปเป็นของร้อนจากคูวิญญาณการเห็นของเราเนี่ยเป็นของร้อนแต่ว่ารวมๆแล้วพิจารณาภายในมากกว่าภายนอก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 จากขู่วิญญาณผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานพบชาติชรามรณะพวกนี้ภายในหมดเลยภายนอกในฐานะคำเดียวพันธุอจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยรักตัวเองที่สุดเพราะรักตัวนั่นแหละจึงไปรักอย่างอื่นมากเยนะอย่างที่เขาว่านะสามีบางคนที่ภริยาตายแล้วก็อุยรักห่วงแหนทำไมเขาจึงห่วงแหนอะไรมากมายขนาดนั้นเาก็ถือว่าวัตถุนั้นทาให้เขามีความสุขที่สุด ถ้าคนอื่นเขาก็ตายวันแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ทําไมไม่เห็นเป็นเดือดร้อนอะไรเพราะวัตถุอื่นๆไม่ได้ทําให้ตัวเองมีความสุขพันคิดว่าวัตถุใดที่ตัวเองเสียใจมากนะเพราะเราถือว่าวัตถุนั้นสร้างความสุขให้แก่เรามากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนเข่าทั้งหลายจึงสําคัญว่านั่นบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเรานั่นก็ของเราไปหมดเลยนะตามความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรจะมีอบุตรและทรัพย์จะมีมาแต่ที่ไหนเนี่ยนะ เพราะเข้าใจผิดอนะเพราะไม่เคยเอาไอ้ตัวที่ชอบเอามาทำปริญญาว่าทําไมจึงชอบชอบแล้วดียังไงมีอั ส, สาธะอย่างไรบ้างเคยคิดไหมว่าตัวความชอบตัวนี้คือตัวที่โยนไปสู่พบใหม่ตัวที่โยนเข้าไปสู่วัฏฏะทั้งหลายมันก็ต้องพิจารณาทั้งหมดอนะสรุปว่าถ้าดูความพิสูจทั้งหลายทำทั้งปวงควรรู้ยิง่งทำทั้งพวงควรกําหนดรู้ทำทั้งปวงควรละเอาให้หมดเลยไม่มีเหลือนะนะพธเจ้าตรัสอย่างนั้น ย้อนมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสังขารในปัจจุบันคันหในปัจจุบันที่เป็นไปกันอยู่ทุกคนนี้เกิดจากปัจจัยใช่ไหมปัจจัยมีปัจจัยหลักๆอดีตพูดปัจจัยในอดีตชาติเลยก็คือวิชาตัญหาอุปาทานกรรมปัจจัยในปัจจุบันชาติหลักๆของรูปก็คืออาหารเนี่ยที น, นีนน้ถ้านามาทําทั้งหลายปัจจัยเห็นๆ เ, เลยก็อาศัยตากับสี จากขู่ทวารวิถีก็ไหลไปสืบเนื่องอาศัยหูกับเสียงโสตทวารวิถีก็ไหลไปสืบเนื่องอาศัยจมูกกับกลิ่นคานทวารวิถีก็ไหลไปสืบเนื่องอาศัยลิ้นกับรสชิวหาทวารวิถีก็ไหลไปสืบเนื่องอาศัยกายกับโคตาภะกายทวารวิถีก็ไหลสืบเนื่องอาศัยผวังอาศัยเรื่องราวต่างๆโลดโลกของความคิดก็โลดเล่นกระจายไปเรื่อยเนี่ยนะนการพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องมัน พิจารณาให้บ่อยพิจารณาให้มากพิจารณาทั้งหมดนั่นแหละนี้สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดด้วยปัจจัยอย่างนี้ในอดีตเราก็เคยเคยเป็นอย่างนี้แล้วอนาคตต่อไปก็จะมีปัจจัยเช่นนี้แหละทีนี้การพิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะอย่างที่ถามเมื่อกี้ว่ารู้ได้อย่างไงว่าเราเคยมีแล้วในอดีต เราเคยมีแล้วใะอดีตแล้วรู้ได้ยังไงว่าเราจะมีต่อไปในอนาคตรู้ได้ยังไงก็พูดอีกในหนึ่งนะบอกว่าถ้าเหตุในอดีตไม่มีแล้วไซถ้าเหตุในอดีตไม่มีอยู่นะโลกนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นอย่างที่ทุกคนต้องการหมดเลยโลกนี้นะสีทุกคนจะต้องเหมือนกัน ทุกคนจะต้องไม่มีความต่างกันทุกคนจะต้องร่ำรวยมั่งมีสีสุขเหมือนกันหมดจะต้องได้รับลาบได้รับยศได้รับคำสรรเสริญได้รับแต่ความสุขเช่นเดียวกันทุกคนเพราะทุกคนเกิดมาปรารถนาลาบปรารถนายศปรารถนาสรรเสริญปรารถนาความสุขปรารถนาความไม่เดือดร้อนปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยปรารถนาความสมหวังคือคิดอะไรอยากให้ดังใจที่เราคิดทั้งหมดเลย นี่คือความปรารถนาของหมู่สัตว์ทั้งหลายแล้วสําเร็จเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแม้แต่เด็กแฝดก็ยังไม่ได้เหมือนกันอะไรเลยบางทีเหมือนกันในโครงสร้างทางร่างกายในบางส่วนแต่พอเจริญเติบโตมาได้รับพ่อแม่เหมือนกันสั่งสอนที่เดียวกันไปอะไรเหมือนกันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยเหมือนกันหมดไหมไม่เหมือนเลยคนละเรื่องคนละราวคนละโลกเพราะกรรมทั้งหลายในโลกนี้วิจิตพิสดารมาก ก็ดูจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เขากําลังทํากันอยู่เนี่ยเป็นการกระทําที่วิจิตพิสดาร น, นั้นวิบากที่เกิดขึ้นจึงวิจิตพิสดารมากทีนี้อย่างที่เอเราละลึกชาติไม่ได้อย่าลืมว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยพื้นฐานหลักมาจากตถาคตโพธิสัตว์เชื่อในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าน้ําตาของเธอทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในวัดตะสูญเสียพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาเป็นต้นในวัตถุอันเป็นที่รักน้ําตาของเธอเนี่ยไหลามากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรนะแสดงว่าวัดตะอดีตชาติอันยาวนานเนี่ยเราเคยเป็นมาแล้วเกือบทุกอย่างเว้นเป็นพระโสดาบันที่เหลือก็เป็นมาเกือบหมดแล้วแล้วถามว่าในโลกนี้นีย อย่างมีอยู่สูตรบางสูตรพระองค์บอกว่าถ้าเธอเห็นยาจกวนิพานยาจกพเนจรทั้งหลายคนพิการทาง ร, างร่างกายปั๊มปั๊มเปอรเปอแขนพิการขาพิการจมูกแหว่งพดานโวตาเลือกเป็นต้นเนี่ยนะสุขภาพไม่ดีเป็นต้นเธอพึงน้อมเข้ามาสู่กายนี่แหละน้อมมาตัวเองว่าในอดีตการอันยาวนานเราเคยเป็นมาแลว้วเพราะฉะนั้นควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายในขันสหสักทีนึง ควรแล้วที่จะคลายกำหนัดในขันห้าควรที่จะพอได้แล้วเนี่ยนะทีถ้าหากว่าเธอไปเห็นคนที่มีความสุขทุกประการเพียบพร้อมไปด้วยเบญจาการรมคุณปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็สมหวังเขาได้หมดเลย น, นะเธอก็พึงน้อมเขาว่าอดีตเธอก็เคยเป็นเช่นนั้นมาแล้วแต่สมบัติเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงสมบัติเหล่านั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนบัตรนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกแล้วเรนนะเพราะฉะนั้นจึงควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายใน วัตทุกขเหล่านี้ผลสรุปว่าในอดีตมีอะไรบ้างเราไม่เคยเป็นอย่างที่กล่าวว่าเว้นแต่เป็นพระโสดามันเป็นพระอริยบุคคลที่เหลือเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรเป็นยาจกวณิพกพเนจรเป็นผู้มีอำนาจเป็นผู้ที่ไร้อำนาจเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประหารหรือเป็นนักโทษประหารเราก็เคยเป็นมาหมดแล้วแล้วต่อไปอนาคตถ้าเรายังตัดต้นเหตุแห่งการเกิดแบบนั้นไม่ได้ล่ะ เชื่อัหยสิ่งในโลกทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถเป็นไปได้หมดเลยไปเห็นปลาเราพ้นจากปลาหรือยังเราก็รู้ว่ายังไปเห็นนกเห็นปลวกเห็นสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเราพ้นหรือยังฟังเรื่องพระเทวทัตเราก็มาถามเราเองว่าเราพ้นจากการตกนรกแบบพระเทวทัตหรือยังเราได้ฟังข่าวพระเจ้าอาชาติศัตรูฟังข่าวผู้ตกนรกนางจินจามานวิกา นันทยักษ์นันทั PE มามนกเป็นต้นเนี่ยนะเห็นได้ยินชื่อคนเลวซามคนชั่วชา้าได้ยินทักโทษประหารถามว่าในวัด ต, ตะอัญยาวนานเราพ้นจากสภาพแบบนั้นหรือยังเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ไปสู่โรงฆ่าสัตว์เนี่ยนะอย่างถ้านั่งอยู่บนรถถ้าต่างจังหวัดนี่จะเห็นหมูเนี่ยเต็มคันรถเนี่ยนะเข็นไปแล้วสู่โรงเชื้อเนี่ยนะเราพ้นจากการเข็นไปสู่ที่เชื้อหรือยังเห็นโคเต็มลำรถเนี่ยนะ ที่เขาขนเอาไปสู่โรงฆ่าโครเราพ้นจากสภาพแบบนั้นแล้วหรื อ, อยังเราก็ยังไม่พ้นเห็นคนทุกคนยากแบกหินแบกปูนอยู่ทั้งวันเราพ้นจากการแบกภาระเหล่านี้หรื อ, อยังเห็นคนที่สแสวงหาเช้ากินข้าอาบเหงื่อต่างน้ําถ้าเหงื่อไม่ออกก็ไม่ได้กินถ้าไม่ได้ข้าวก็ไม่ได้กินเป็นต้นนะถ้าหากว่าแล้วเราพ้นจากสภาพเหล่านั้นแล้วหรือก็ยังเพราะอะไรเพราะอาวิชชาตันหากกรรมอุปาทาน ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งในอนาคตต่อไปเราพร้อมที่จะเป็นได้ทุกอย่างดังนี่กล่าวเมื่อกี้ว่าพวกเราเป็นประเภทพันเพาะขึ้นทุกแห่งนะเพราะที่ไหนบางไม่ขึ้นนะนะแต่ก็ยังหนักใจอยู่เหมือนกันเอ๊ะเพาะให้เป็นพระโสดาบันนี่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะอันนี้ยังกังวลใจอยู่อแต่ว่าเพราะอย่างอื่นเนี่ยเชื่อว่าเพาะขึ้นละเอาถามว่าทําไมไม่มั่นใจอะไรทําไมจึงเชื่อว่าเพาะไม่ขึ้นว่าจะเป็นพระโสดาบันจริงก็ก็จริงอ่ะนะวันนี้ก็ศรัทธาดีพรุ่งนี้คิดอีกอย่างหนึ่งละ เขาจะไปเขาบอกว่าพระโมคคลานะท่านบอกว่าท่านประกันอะไรนะขนาดพระโมคคลานะผู้เลิศทางฤทธิ์นะบอกว่ามีอุบาสกคนหนึ่งนะไปบอกว่าคืออุบาสกคนนี้เป็นอุปถาของพระโมคคลานะนิมนต์พระพุทธเจ้าเอาไปฉันระชันที่บ้านนะนะพระพุทธเจ้าก็รับนิมนตนะ์แะจะไปฉันพรุ่งนี้ให้ทีนี้ผ่านทางสุ ป, ปวาสาโกลิยะทิดามแม่พระศรีวลีเนี่ยคลอดพระศรีวลี ก็เลยคลอดพระศรีวลีแล้วก็อยากจะทําบุญเลี้ยงพระสกรก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพระโมคคัลลานะมาไปบอกอุปถากเธอนะว่าครออีกสัก7วันได้ไหมเดี๋ยวไปฉันบ้านพระนางสุ ป, ปวาสาโกริยะธิดากลอนอะนะว่าพระโมคคัลลานะก็ไปถามอุบาสกบอกอุบาสกให้ฟังว่าพระองค์ให้มาบอกอย่างนี้บาศกก็บอกท่านพระโมคคัลลานะถ้าท่านรับประกัน3อย่างให้ผมได้ผมก็จ ะ, ะให้พระพุทธเจ้าไปฉันบ้านโน้นก่อนได้ละว่างั้น หนึ่งต้องรับประกันนะว่าภายในเจ็ดวันนี้ผมไม่ตายสองท่านต้องรับประกันนะว่าทรัพย์สินผมไม่ชิบหายวายวอดไปหมดข้อที่สามท่านต้องรับประกันนะว่าผมจะต้องมีศรัท ธ, ธาแบบวันนี้ก็บอกว่าโยมอาตมารับได้สองอย่างนะอีกเจ็ดวันภายในเจ็ดวันยังไงยงก็ไม่ตายภายในเจ็ดวันนี้ทรัพย์สินยังไงก็ไม่เสียหายแต่ศรัท ธ, ธารักษาเอาเองไม่สามารถประกันได้เพราะว่าใจใครก็ใจใครใช่ไหมใครจะไปรักษาใจใครได้ล่ะอ่ ถ้ารักษาได้ปัณนี้นะพระพุทธเจ้ารักษาให้เราหมดแล้วเนี่ยนะโรคจิตรักษายากที่สุดเลยนะมันนึกอยากป่วยมันก็ป่วยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะทางป่วยทางความคิดเนี่ยรักษายากมากเพราะฉะนั้นยังไม่แน่ใจว่าเอจิตรักษายากแล้วรักษาศรัทธาที่เกิดกับจิตมันจะยากขนาดไหนรักษาวิริยะที่เกิดกับจิตรักษาสติที่เกิดกับจิตรักษาหิริโอตปะที่เกิดกับจิตรักษาปัญญาที่เกิดกับจิตแล้วอบรมปัญญาอันเนี้ยขว่คว้าเพื่อที่จะแทงตลอดอารยมรร จะยากขนาดไหนก็ลองดูพยาจิตตราดของเราทีตั้งใจจะอ่านพระไตรปิฎกให้มันลึกซึ้งเลยนะอ่านไปได้หน้าสองหน้าก็ไปเรื่องอื่นหมดแล้วอย่างนั้นอ๊ยตั้งใจจะสวดมนต์ให้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติหลังไหลไปกับพระพุทธคุณที่ไหนได้ทำงานเบ็ดเสร็จหมดพวกพร้อมกับการสาธยายพุทธคุณเนี่ยมันเอาขนาดนี้จิตเนี่ยนะเลยเชื่อยากจริงๆมั้นใครเชื่อใจใครนะอ๊ยจะมีอะไรนอกจากความเขา่ากระจายเรายังเชื่อไม่ค่อยได้เลยใช่ไหม สังเกตสติตีตัวเองแนละ้วตั้งใจว่าจะทำอันนั้นก่อนไพรก็เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวทำอย่างอื่นก่อนดีกว่า mm hmm. นะเชื่อไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวว่าจากเป็นเช่นนั้นถ้าจะเชื่อให้เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าสอนเธอว่าอันนี้จาวตสังขาราอันนี้แน่นอนเชื่อได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะไม่เที่ยงหรอกนะจิตเคเคยเห็นว่าจิตมันเที่ยงหรือ ไม่เที่ยงหรอกพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยง gue, สิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้เชื่อไว้เถออันนี้ไม่มีผิดหวังอันนี้เชื่อได้จริงๆว่าแน่นอนเที่ยงแท้ไม่แปรผันเป็นอื่นว่าสัพเพสังขาราอ น, นิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมะอนัตตาอันนี้แน่นอนอันนี้เชื่อได้เลยเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าธร ร, รมนิยามธรรมนิยามเป็นความแน่นอนทางทางธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไอสิ่งไม่เที่ยงบางอย่างเ น, านี่ยนะชีวิตไม่เที่ยงดีใจไหม ไม่ไหวใช่ไหมกุศลก็ไม่เที่ยงหมายความว่าอกุศลมันเกิดแล้วอย่างนี้เป็นีีเพราะฉะนั้นบางส่วนสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตาอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงมาแบ่งว่าควรกําหนดรู้ควรละควรเจริญและควรทําให้แจ้งเขามีการมาจําแนกแจกแจงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตในวัฏฏะของเราทั้งหลายสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราเคยเป็นมาหมดแล้ว นะบางทีเนี่ยนะอย่างวันก่อนนั่นนงถามจา่าสันติเห็นคนนอนข้างถนนไหมบอกเห็นอดีตชาติเราเคยเป็นมาแลว้วจ่าสันติบอกว่าบอกว่าไงนะก็ชาตินี้ก็นอนมาแลว้ว <c oughs> ไม่ต้องอดีตชาติอะไรหรอกชาตินี้ก็นอนแบบนั้นมาแลว้วไงนะ <c oughs> นอนที่ไหนหนอใต้รถเมล์ <c oughs> ถ้าไม่หลอกพระพระก็ไม่หลอกต่อหรอกเชียว ในต่อไปนะว่าแล้วอนาคตต่อไปนะอย่างที่เน้นถามอยู่ตอนนี้เสมอว่าเราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเราพ้นจากสภาพเหล่านั้นหมดแล้วพ้นจากสภาพเหล่านั้นหมดแล้วพ้นจากการเกิดในภพที่ไม่ดีหมดแล้วหรือพ้นจากเนี่ยอย่างหลายๆประเทศที่กําลังประสบภาวะสงครามอยู่ตอนนี้เราพ้นหรื อ, อยังที่จะไปเกิดณแถวนั้น ไม่พ้นเลยไม่พ้นเลยขึ้นเชื่อยังมีขันห้าอยู่หาอะไรมารับรองอยู่ไม่ได้หรอกเพราะไม่มีโสดาปฏิมักเป็นเครื่องรับรองไม่มีสกาธ า, ามีมักอนาคามีมักและอรหันต์ตับมักรับรองเพราะฉะนั้นจึงสามารถละความสงสัยได้เลยว่าในอดีตขันห้าเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยในอนาคตต่อไปขันห้าเหล่านี้ก็ จะเกิดจากปัจจัยขันห้าที่กำลังไหลไปในปัจจุบันก็เกิดจากปัจจัยเมื่อรู้อย่างนี้จะรู้ว่าขันในอดีตอนนะอวิชาตัญหาอุปาทานกรรมเป็นตัวสร้างขึ้นจะไม่สงสัยว่าอดีตเราเคยมีแล้วหรือหนอสงสัยไหมเราเคยมีหรือเราไม่เคยมีในอดีตหรือว่าในอดี ต, ตการเราไม่เคยมีหรือหนอหรือว่าในอดี ต, ตการเนี่ยนะ เราได้เป็นอะไรหนอในอดีตการเราเป็นอย่างไรหนอะในอดีตการเราเป็นอะไรแล้วมาเป็นอะไรต่อไปอีกหนอสงสัยเลยใช่ไหมเอ๊ะตกลงเรามีหรือเราไม่มีในอดีตมีหรือไม่มีมอันะขันห้ามีอยู่แต่ขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งความสําคัญว่าเป็นเราแต่สภาวะของคําว่าเราไม่มีอยู่จริงแต่ขันห้าเหล่านั้นที่เป็นที่ตั้งแห่งความสําคัญว่าเป็น เราเนี่ยมีอยู่จริงนะนะก็โดยสภาวะที่แท้จริงอ่ะคำว่าเราอ่ะไม่มีนะโดยตามสภาวะเที่ยงแท้แต่ขันห้าที่ประชุมกันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นเรานี่มีอยู่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นเรานี่มีอยู่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าเป็นเรามีอยู่ ขันเหล่านั้นก็เป็นแต่ขันวันยังค่ําเกิดด้วยปัจจัยประชมปรุงแต่งขึ้นมียวิชาตันหาอุปาทานกรรมสร้างขึ้นแต่ถ้าพวกที่สงสัยว่าเราเคยมีแล้วหรือหนอในอดีตแนวโน้มเนี่ยเป็นสัสตตติฐิใช่ไหมเพราะเราก็คือเป็นสัตตะสัญญาอีกชนิดหนึ่งอัตตะสัญญาอีกชนิดหนึ่งที่ว่าเป็นเราสัตตะสัญญาอัตตะสัญญาเหล่านี้ก็บอกเราเคยมีแล้วในอดีตถ้าอันนี้นี่วิจิกิจฉาอันนี้ต่อด้วยสัตตติธิ แล้วบอกหรือเราไม่เคยมีในอดีตคำถามนี้แปลว่าอะไรแปลว่าชาตินี้ฉันมาเกิดลอยๆหรือยังไงมาลอยลอยเพิ่งมาเกิดเป็นครั้งแรกไม่เคยมีอดีตชาติอะไรเลยเพิ่งมาเกิดครั้งแรกนี่แหละจำได้ว่าเพิ่งมาเกิดนี่จริงๆอดีตไม่มีหรอกนะมีจริงหรืออดีตเรารู้ได้ยังไงว่าอดีตมีจริงเราเพิ่งมาเกิดลอยอยอันนี้เป็นพวกอทิจะสุปปนทิฐินึกว่าเกิดลอยๆ ก็บอกเฮ้ยนี่เราเพิ่งเกิดเพื่อนเอ้ยเนี่ยกายเนี่ยมันเจริญอกายเนี่ยประชุมด้วยมหาพูดพ่อแม่นี่แหละเราเพิ่งมาเกิดนี่แหละเกิดมาได้ไม่กี่ปีนี่เองสี่ห้าหกสิเจ็ดสิบปีนี่แหละเนี่ยนะเพิ่งมาเกิดเนี่ยนะวัฏฏะอะไรเนี่ยประวัติศาสตร์ยาวนานเราไม่เคยมีอะไรสักอย่างหรอกอันนี้พวกนี้แนวโน้มว่าพวกเกิดลอยๆแต่ว่าพอเกิดมาแล้วเราจะต้องเที่ยงเออนี่สิเพิ่งเกิดแต่ว่าต่อไปจะเที่ยงไอพวกอาทิตจะสมุปปนะทิฏฐินะกลุ่มสัตตทิฏฐิ อธิจะสมบุญปัณะทิฐินี้เป็นพวกสัสตตทิฏฐิหรือว่าอดีตการเนี่ยนะบอกเออถ้าเราเคยมเเยงงีเราเป็นยังไงนะเราเป็นยังไงนะเช่นเป็นคนมีสีอย่างไรนะชาติที่แล้วมันดําเหมือนชาตินี้หรือเปล่านะ้อยงเง้ยนะหรือว่าขาวกว่านี้เสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบหรือร้อยเจ็ดสิบหรือร้อยห้าสิบเป็นคนแค่คนเตี้ย หรือว่าถ้าที่แล้วเนี่ยเราเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นนรกสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายตกลงเป็นอะไรกันแน่เอะสมมติถ้ามันเป็นสัตว์นรกแล้วมันจากนรกแล้วไปเป็นเปรตต่อไปได้ยังไงเอ้เคยเป็นเปรตหรือมันก่อด้วยมนุษย์แล้วไล่ไปไล่มาสับสนทางความคิดมุนงงไปหมดเลยเงี้ยเพาถ้ากําหนดปัจจัยได้เป็นอย่างดีจะละความสงสัยเหล่านี้ได้อย่างไม่ถึงกระเด็ดขาดแล้วนะโดยตทางฆประหารพอปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นก็ไม่สงสัยเลยใช่ไหม อีกภาคหนึ่งมาคิดภาษาเราเองเอีกนะเอ๊เราเคยมีเอ๊เราเป็นอะไรนะเอาอีกละแต่ว่าขันห้าขันห้าเกิดจากปัจจัยแม่ในะอดีตขันห้าก็เกิดจากปัจจัยอนาคตต่อไปขันห้าก็เกิดจากปัจจัยออดีตก็ขันห้าขันห้าเกิดจากปัจจัยถ้าคิดตามพระพุทธเจ้าแบบนี้นะไม่สงสยัยแล้วแต่ว่าเอ๊พะวังว่างลืมก็ลืมคําสอนนะเอาคิดเองบัางเอ๊ในะอดีตเรามีหรือไม่มีเนาะเอ๊ะเรามีแล้วเราเป็นยังไงเราเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรต่อไปเนาะคิดแล้วก็งงอีกนะ มันเอาอยัางไงกันแน่เนี่ยนะครับหนักๆเข้าก็สงสัยไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าวิจิกิจฉาพอสงสัยอย่างนี้มากๆขึ้นคิดหรือว่าจะพิจารณาอริยสัจไม่เนี่ยนะไม่พิจารณาอริยสัจอะไรหรอกทีนี้อันนี้พวกสงสัยในอดีตนะในนี้ถ้าสงสัยในอนาคตต่อไปว่าอันนะไอ้ความสําคัญว่าเรามีนี่แหละจึงคิดว่าอนาคตเราจากมีหรือหนอหรือว่าเราจากไม่มี เอ๊ะถ้าเรามีแล้วเราจะเป็นอะไรเราเป็นอย่างไรเราเป็นอะไรแล้ว เ, เป็นอย่างไรเป็นอะไรเสร็จแล้วไปเป็นอะไรอีกต่อต่อไปสรุปว่าชาติหน้าจะมีหรือไม่มีเนี่ยก็คือว่าคิดต่อไปนะเอ๊ะชาติหน้าต่อไปเราจะมีหรือไม่มีมองเลยอ้าวพีทปาถนาพ้นทุกไม่ใช่เหรอนะอ้าวเราตอบตามสูตรนะเรียกว่าจะไม่มีละ นนสรุปว่าเออชาติหน้าเราจะมีหรือไม่มีเนี่ยนะเขาบอกว่าเออถ้ายังมีอวิชาตันหาอุปาทานกรรมอาหารอยู่ขันห้าก็จะมีแต่ว่าไอความสงสัยเราจะมีหรือเปล่าเรา่ถ้าคนดูซิไอความตอนเนี้ยอะไรเป็นเราและอะไรคือชาติหน้าล่ะอย่างเงี้ยนะถ้าสาวไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นจึงไ อ, อความสงสัยบอกเออเราจะมีหรือเปล่านะหรือเราจะไม่มีถ้าใครคิดว่าเราจะมีนะโดยมากเป็นสัตต แนวความคิดชี้นําไปหาสัจธรหรือเราจะไม่มีอันนี้ชี้นําไปเป็นอุเฉททติทิเอ๊ถ้าเรามีนะเราเป็นอะไรเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์เป็นสูตรถ้าชาติหน้าจะได้บวชหรือเปล่าเนอหรือไปเกิดในนรกไปราศรกายหรือเดรฉ า, านเอ๊ถ้าเรามาเกิดชาติหน้าถ้าเป็นมนุษย์แล้วรูปเราจะเป็นยังไง จะสูงจะต่ําจะนจะําจะเขาตาเราจะเป็นยังไงหูจะเป็นยังไงร่างกายเราจะเป็นยังไงคนอื่นเขาจะมองเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปเรื่อยอย่างเงใช่ไหมแล้วก็ต่อไปเราตายจากชาตินะัะแล้วเราจะเป็นอะไรต่อไปเราเป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรต่อไปชา ต, ติเราคิดคิดอย่างเงี้ยคิดไปเป็นล้านชาติเลยนะเออจะเป็นยังไงนาะเนี่ยนะอันนี้คือความสงสัยในอนาคตห้าประการบางคนที่ไม่ได้ทําปริญญาอะไรในขันห้าในชาตินี้ก็สงสัยว่าเ อ, อ มีความสงสัยว่าเรามีอยู่หรือหนอ่ะ น, นะบางคนไปในที่เงียบๆนนะเหมือนกับว่าอะไรนะถูกระเบิดตุ้มมาแล้วนึกฟื้นขึ้นมาเอ้เรามีหรือเราไม่มีเราตายหรือเป็นเนี่ยนะคิดมีอย่างนี้มีไหมคิดแบบเนี่ยนะอย่างประสบอุบัติเหตุฟื้นขึ้นมาให้เรายังอยู่หรือเราไม่อยู่ยังไงมีไหมแบบนี้มีนีเ่เรามีสัสตตานะพื้นฐานตัวนั้นสัสตต์หรือเราไม่มีอุเฉดเกิดอะไรขึ้นอยังไงนะ เคยเคยดมยาสลบท์ไม่ฟื้นขึ้นมาเลยเราเป็นยังไงมีหรือไม่มีนี่อยงนั้นเอ๊ะแล้วเราเป็นอะไรบางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยหลงชาติกําเนิดตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองเกิดในวันณะไหนเราเนี่ยเป็นชาติกําเนิดเราเนี่ยม่เป็นกษัตริย์หรือเป็นคนวันณะไหนกันแน่เนี่ยก็สงสัยใช่ไหมว่าเราเป็นอะไรเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นแพทย์หรือเป็นสูตรอย่างเงี้ยบางพวกบอกเอ๊ะเราเป็นอย่างไรไม่ได้สงสัยรูปประกายภายนอกสงสัยไอ้รูปข้างในตัวเนี่ยนะ เพราะบางคนก็ถือว่ามีรูปละเอียดที่อยู่ในข้างในตัวใช่ไหมรูปอะไรรูปทิปรูปพรมรูปอะไรของเขาที่อยู่ข้างในตัวของเขาอ่ะนะไม่รู้ควานไปหาอยู่ตรงไหนไม่ทราบเขาบอกเขามีกายพิเศษอยู่ข้างในเอ๊แล้วกายของเรานั้นจะสดใสหรือยังไงเนาะว่าเขามีบางลัทธิไปนั่งสมาธิใช่ไหมแล้วจะเห็นกายข้างในตัวอีกครั้งหนึ่งเอ๊คนนั่งเป็นนั่งแรกๆไหมกายข้างในเราจะเป็นยังไงนาะเนี่ยนะก็สงสัยไปเรื่อยใช่ไหมมีไหมแบบนี้มีเนี่ยนะก็สงสัยว่าเอ๊เราในข้างในเราจะเป็นยังไงนาะเหมือนกัน เออแล้วสัตว์ผู้นี้มาจากไหนกันนาะเราเนี่ยมาจากไหนกันแน่นีะบางคนเนี่ยแล้วจําอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมเออเรามาจากไหนเคยหลงหลงทิศหลงทางและเลือกถอยหลังอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวบางคนนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะจําไม่ได้เป็นใครชื่ออะไรมาจากที่ไหนอะไรยังไงจําไม่ได้เลยช่วงหลังๆมาเนี่ยนะเคยมีโยมหลายคนเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นนะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นพอออกจากบ้านเสร็จลืมหมดเลย อมืบางคนนะบางคนบอกว่าเราเป็นใครเนี่ยเรามาจากที่ไหนเนี่ยแล้วเราจะไปไหนเนี่ยคือสัตว์แต่ว่ามีชีวิตอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นเองเนี่งงไปหมดเลยไอ้แบบนี้ก็มีอยู่ในในโลกนี้นะแล้วสัตว์ผู้นั้นจะเป็นผู้ไปที่ไหนกันเนอะบอกว่าเราเนี่ยมาจากที่ไหนแล้วเราจะไปไหนนาะบางทีงงไปหมดเลยนะไอ้พวกนี้ลักษณะของวิจิกิจชาแต่ว่าทางทางแพทย์เขาถือว่าเป็นเป็นกลุ่มโรคลมบ้าหมูชนิดหนึ่งเนี่ยนะเป็น นะ น, นะอาจจะเป็นกลุ่มโรคหลายๆโรคนะสมัยนี้ก็เป็นกันไม่ใช่น้อยนะเริ่มเป็นกันมากขึ้นเริ่มจำอะไรไม่ได้แล้วนันผู้ที่หมั่นกำหนดอยู่ในการพิจารณาปัจจัยมากๆนะรู้เหตุรู้ปัจจัยเป็นอย่างดีความสงสัยเหล่านี้จะได้ละละกะละไปทั้งหมดเลยก็จะไม่ไม่สงสัยเนี่ยนะไม่สงสัยทั้งอดีตไม่สงสัยทั้งอนาคตและไม่สงสัยใน ปัจจุบันข้ามความสงสัยในอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเพราะว่าปัจจุบันการปัจจุบันนการตัวนี้นะประลบการปัจจุบันก็คือปัจจุบันกา ร, ป, จจการปัจจุบันการแปลว่าปัจจุบันชาติปัจจุบันนอัฐาชาตินี้เนี่ยนะชาตินี้เนี่ยอวิชาตันหาอุปาทานกรรม อวิชาตัญหาอุปาทานเป็นเหมือนแม่พาให้มาเกิดกรรมเป็นเหมือนพ่อมาคัดสรรเลือกชาติตระกูลรูปร่างผิวพันธุ์ยศศักอํานาจเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็อาหารเป็นพี่เลี้ยงเลี้ยงบํารุงให้เจริญเติบโตมาอย่างปัจจุบันเนี่ยกันขันห้าในปัจจุบันนี้เกิดจากปัจใจห้าประการในอดีตการอดีตการขันห้าที่เกิดในภพต่างๆก็อวิชาตัญหาอุปาทานกรรม เป็นปัจจัยอาหารก็บำรุงเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตชาติต่อไปภพต่อไปก็อวิชาตันหาอุปาทานกรรมพาไปเกิดณนภะพน้อยภพใหญ่นนะในภพภูมิต่างๆแล้วก็มีอาหารเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงดูต่อไปถ้าพูดถึงอาหารเนี่ยนะเอาอาหารชาตินี้ถ้าเกิดในประเทศไทยบางคนบอกโอ้ไม่กลัวอดตายแลย้วเหมือนกันไปที่ไหนก็มีร้านอาหารร้านโต๊รุ่งยี่สิี่ชั่วโมงก็ยังมีขายใช่ไหม อาหารมีบางร้านยี่บสี่ชั่วโมงเลยอย่างเงี้ยนะเรียกได้ตามตามที่ต้องการอยากจะกินแล้วถ้าชาติหน้าต่อไปไปเกิดที่ไหนแนละ้วมีกินอีกไหมอย่างเงี้ยนะบางคนนะอาหารมีอยู่แต่ตัวเองไม่ได้กินนี่มีไหมมีมากนะอาหารก็เต็มร้านอาหารไปหมดเราก็เดินผ่านใช้กลือน้ําลายเอื้อเข้าไปหนึ่งก็ไม่ได้กินอีกตามเดิมอย่างเงี้ยนะคล้า <c> ย <ười> ๆเป็นอะไรนะเป็นพวกพวกกลุ่มอวายวะภูมิบางพวกนะอาหารก็มีอยู่แต่ว่าไม่มีใครทํามูลนิธิมาให้เราเลยอย่างงี้ยนะก็อดเพราะนั้น ชีวิตในวัฏฏะนี่ก็มาเลือกดูนะถ้ายังมีเชื้ออวิชชาตันหาอุปาทาน น, นะตัวนี้นําไปสู่ภพใหม่ทีนี้ก็มาดูว่ากรรมที่จะนําเกิดกรรมชนิดไหนเนอในบรรดากรรมที่เราทั้งหลายทําทั้งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมกายกรรมที่นําไปสู่อาบายคืออะไรปาณาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชฉาจาร์วจีกรรมที่นําไปสู่อาบายคือมุสาวาตปิสุณาวาจาภุศาวาจาและสัมผัสปลาปะ มโนกรรมที่นําไปสู่อาบายคืออะไรอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิเราก็มาไล่ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีอะไรบ้างถ้ามีสิ่งนั้นอยู่ถ้าเคยมีอยู่ประตูอาบายไม่ได้ปิดอะไรเลยเพราะเขาบอกว่าเราลืมกรรมแต่กรรมลืมเราไห ม, ไมคิดง่ายๆว่าเราไปทําให้ใครเจ็บแค้นที่สุดแล้วเราก็ลืมว่าเราไปด่าเขาให้เจ็บใจที่สุดเราก็ใช้ใเราเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมไอคนนั้นที่ถูกว่ามาเขาลืมด้วยไหม ไม่ลืมเขาไม่ลืมกรรมที่เราไปทําไว้กรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลนะอยากคิดว่ามันจะลืมเรานะไม่ลืมเพราะมันได้ปัจจัยมันให้ผลทันทีนนเพราะอะไรเพราะเป็นกรรมมณิยามเป็นกรรมมณียามนิยามนี่แปลว่าความแน่นอนของทางธรรมชาติอันนั้นแน่นอนของของสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะมีอะไรบ้างกรรมมณียามพีชนิาานยามอุตุนิยามจิตตนิยามและธรรมนิยามกรรมทั้งหลายนี้เป็นกรรมมณิยามเป็นความแน่นอน เพราะฉะนั้นวานพืชเช่นใ ด, นดก็จะได้รับผลเช่นนั้นสเสวยผลเช่นนั้นแต่ทีนี้หมายความว่าเราวันเท่าไหร่เราจะต้องรอกินผลเหล่านั้นทั้งหมดไหมอ่า น, นะถ้ารอแบบนั้นก็ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าแน่นอนถ้าใครมีทิฏฐิว่าฉันสมมติว่าฉันทําบาปว่าฉันต้องตกนรกแน่แน่ฉันต้องตกนรกแน่ๆ่ตกแน่เชื่อเลย นะพอใจยอมตกนรกไป 80% อร์เซ็นแะล้วยังไงก็ต้องตกนรกนะดูท่าแล้วไม่พ้นจากนรกแน่นอนเพราะฉะนั้นใครที่บอกฉันยังไงฉันก็ต้องตกนรกยังไงฉันก็ต้องตกนรกเออสาธออุไม่ใช่สาธุนะขอโทษนะขอแสดงความเสียใจด้วยนะแก่ผู้ที่จะไปนรกนะสาธุเดี๋ยวว่าเราไปแช่งเขาอีกกรยุ่งนะแต่จริงๆถ้าใครมีความเชื่อเช่นใดนะแนวโน้มคือถ้าเชื่อว่าตัวเองตกนรกเนี่ยอาจจะตกแน่ แต่เชื่อว่าตัวเองจะไปสวรรค์อันนี้ไม่แน่ว่ายังไงชาติหน้าฉันต้องไปสวรรค์อยู่แล้วชาติหน้ายังไงฉันต้องเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยก็เท่าเก่านี่แหละอันนี้ไม่แน่แต่ถ้าเชื่อว่าตัวเองจะต้องไปอบายสุขติวินิบาตนรกอันนี้แน่ะถ้าเชื่อว่าอย่างนั้นจริงๆนี่ไ ป, นไปแน่ไปตามทิศทีแต่ถ้าเชื่อว่าตัวเองไปสวรรค์อันนี้ยังไม่แน่ทําไมจึงไม่แน่ก็ดูว่าก่อนตายนี่จิตเป็นอะไรนย่านะ้ พระ ผ, ผู้ที่เชื่อว่าตัวเองจะไปอบายพวกนี้จะยอมจำนนปล่อยให้อกุศลกลุ่มรุมนะจะไม่ยอมแก้ไขพัฒนาอะไรจะไม่ยอมอบรมศิขาใดๆแต่พวกทีเ่เชื่อว่าตัวเองไปสวรรค์บางพวกก็เจริญกุศลอย่างมากะนะเจริญกุศลมากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้บางพวกก็เชื่อว่าไปสวรรค์แน่แต่ไม่ยอมทําอะไรนะเขามามีเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเขานี่ยังไงเขาต้องไปสวรรค์อยู่แล้วละ่ะแต่เชื่อไหมตั้งกาชามามักินแต่เหล้า ปีใหม่นี่ไม่มีสังหรอกเชื่อเลยเลยร้อยละ9กเปอร์ซแทงเป็นหวย น, นี่ถูกเลยเด็ดขาดว่ามันต้องเมาแปลอยู่แล้วตอนเนี้เนี่ยนะแต่เขาเชื่อว่าเขาจะไปดีนะไม่มีคําว่าบายอยู่ในใจของเขาหรอกนะเขาเชื่อว่าแต่เขาไปดีแต่โอ้ยมาไล่ดูแล้วมันจะไปดีได้ยังไงนาะเนี่ยนะของเราเนี่ยไม่ใช่ศักด์แต่ว่าเชื่ออย่างเดียวว่าเราจะไปดีใช่ไหมมันเขาบอกว่าผู้นี้จะต้องฝึกเจริญอะไรนะเทวตานุสติใช่ไหมเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงเป็นต้นเขามีศรัทธา ศีล ส, สุตะจาฆะปัญญาเช่นใดแม้เราก็เป็นเช่นนั้นเออถ้าอย่างนี้แน่แน่นอนได้ไปสวรรค์แน่เขามีคุณธรรมเป็นเครื่องไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าไม่มีคุณธรรมอะไรเลยล่ะนะพรุ่งนี้จะรวยพรุ่งนี้จะรวยเขามีคนฝันอย่างนี้กันเยอะใช่ไหมจริงไหมนะวันที่หวยจะออกเนี่ยวันนั้นอะชัดเจนบอกออ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้รวยละเนี่ยนะบางคนถ้าตอนเช้ามาบอกโอ้ดบยา ย, ายนี่รวยละนะ แต่ว่าลอตเตอรี่ถ้ารางวัลที่หนึ่งอย่างมากนะถูกคนเดือนละคนะปีหนึ่งบางทีนะไม่ค่อยถูกสักกี่คนหรอกบางทีไอ้พวกที่ถูกรางวัลที่หนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันบัตรมันหายไปไหนเขาบอกว่าเงินกองสลากกองไอ้รางวัลที่หนึ่งไว้เยอะแยะเงินเลขรางวัลเนี่ยนะที่กองอยู่ที่กองสลากเนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยล้านก็วพวกหวังว่าตัวเองจะรวยหวังว่าตัวเองจะรวยแต่ก็เหมือนเดิม <c oughs> นี่แหละเพฝัะ <c oughs> สิ่งที่เราเชื่อไม่แน่เสมอไปว่า จะจริงความจริงนี่บางทีเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเชื่อเนี่ยนะไม่ค่อยจะยอมรับการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้รู้จักความจริงแต่แต่ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะความจริงบางอย่างควรกำหนดรู้ความจริงบางอย่างควรละความจริงบางอย่างควรทำให้แจ้งความจริงบางอย่างคือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องเจริญต้องอบรมต้องภาบเพียรและภาวน า, านะที่ที่พระองค์บอกว่า จะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปถ้าไม่ได้บรรลุอิทธิผลที่บุรุษเขาต้องทําแล้วบรรลุได้เนี่ยถ้าไม่บรรลุไม่ลุกเนี่ยนะอันนี้คือคือความเพียรพยายามในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นท่านรู้คุณค่าแห่งภาวนารู้คุณค่าแห่งภาเวตะปธะรรมเราจะไปเอาปริญญาธรรมไปเป็นภาเวตะปธรรมไม่ได้เนี่ยนะอ น, นะเอาปริญญาธรรมเนี่ยทำที่ควรกําหนดรู้ไปอธิบายเป็น ภาเวตประธรรมไม่ได้เอาภาเวตประธรรมไปอธิบายเป็นปริญญาธรรมไม่ได้ถ้าสับสนก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้เนี่ย น, นะส่วนการกำหนดปัจจัยนยยะที่สองก็ต้องเป็นตอนภาคบ่ายเจริญพร